กันที่แปดเ็ตประวัติหลวงปู่สาครนอ่าทีนี้อยากจะเรียนถามหลวงปู่ครับเกี่ยวกับเรื่องว่าน้วงปู่เองเนี่ยครับได้อ่า เ, เ, เ, เป็นเป็นเป็นชาวจังหวัดอะไรครับผมครับนุงบุรีลมโพงนุ่งบุรีลำโพงครับอบ่าเดิมนี่นุ่งบุลำพูนี่เดิมอยู่กับอุดรธา น, นีมั้จังหวัดอุดรธา น, น, นีอ๋อ แล้วหลวงปูบ่บวชบวชที่ไหนครับบวชที่วัดมหาชัยบวชซีมาเดียวกันกับพระอาจารย์กูรพระอาจารย์กูบวชปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหกกับพระอาจารย์แสงธรรมทิโลรเป็นพระอุปชาแต่อาจารย์บวชหลังนั่นมาอีกปีศูนย์แปดบวชซีมาเดียวกันบวชครั้งแรกก็ เป็นพระธรรมยุท เ, เ, เลยนะครับแล้วเ อ, อได้รครับวัดมหาชัยนี้เป็นวัดที่ปีที่สองของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติในภาคอีสานครับคือการขยายปีแรกขยายออกมาได้หกวัดครับมีหกคณะที่ออกมาอยู่ปฏิบัติที่อุบลครับพอปีที่สองมาก็ขยายไปที่นงบุรีนี่ได้ห้าวัดครับ คือพระจําแสงมาทําหิตติจตุพกรรมที่อุบลครับโดยพันธุโลเดวัฒมีเมาเป็นอุปชาอุปชาเดียวกันกับหลวงปู่มั่นพระจําแสงฉะนั้นพบปีสองพันสี่ร้ยหกสิบหกลวงปู่มั่นก็เลยระจําสากับท่านจาแสงครับถือว่าเป็นพระสิทธิวิหาริกพระอุปชาองค์เดียวกัน ครับครับก็เลยเอาท่านจันกู่นี่ไปยติอยู่ที่นี่ท่านจันกู่ที่เป็นพี่ชายพระจันกว่าครับที่เป็นพระที่เดินติดตามหลวงปู่มั่นอยู่ในภาคเหนืออ๋อครับแล้วเออตัวท่านอาจารย์สักรเองครับได้อพบหลวงปู่ฟันได้ยังไงครับผมอาจจะรัดไปหน่อยก่อนหน้านั้นคง คงหลายปีอยู่นะครับพระปู่กว่าจะได้กว่าจะได้พบหลวงปู่ฟันสามปีสามปีครับปีแรกบวชบยังมีภารกิจที่ทำโบสับของวัด ค, คือเปลี่ยนโบสใหม่จากสีมาอันเดิมมันสำรุดแล้วก็มาสร้างใหม่โดยเจ้าวาดองค์ก่อนทำไว้เจ้าวาดองค์ที่สองก็เลยมาทำต่อพ อ, อายันเข้าไปบวชก็เลยมาทำต่อ พอทําต่อแล้วก็ทำโบสถเสร็จปูกพัทสีมาเสร็จแล้วก็คัดเลือกทหารเสร็จครบพบพรรษาที่สองอาจารย์ก็เลยออกไปจำพรรษาที่เพชรบูรณ์อครับในพบพกักกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นครับคือลูกศิษย์หลวงปู่หลอดในสมัยหลวงปู่หลอดไปเที่ยวภาคเหนือก็มาพักอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับก็เลยได้พระจันทร์แถว เป็นลูกศิษตามมาที่หนองบัวลำพูด้วยครับเพราะพระอาจารย์แถวหลอดนี้เป็นคนบ้านขามครับตำบลบ้านขามที่อําเภอหนองสงครับแต่อาจารย์เป็นคนตำบลหนองบัวอําเภอหนองบัวลำพูกขาเปจังหวัดเดียวกันครับแล้วก็แล้วอาจารย์ก็ได้ได้ปกับจแถวขึ้นไปภาคเหนือที่เพชรชบูรณ์ครับาไปเพชรชบูรณ์แล้วก็คิดว่าจะไปดูพระกรรมฐานทางด้านโน้นว่าน่าจะมีมากอยู่ครับ พอไปแล้วก็เลยได้ไปพบพระอาจารย์ทองดีครับที่เป็นสิทธิทวิหาริกของพระอาจารย์ศิลาที่อำเภออากาศท่านออกไปเที่ยวทุดงทางด้านนนท์ท่านขึ้นไปอยู่ทางนน้นสามสี่ปีแล้วครับท่านก็เลยบอกเราว่าหมดพระทางภาคเหนือนี่หลวงปู่ตื้อก็จะกลับอีสานก็จะเหลืออยู่สององค์เหลือหลวงปู่แหวนเหลือหลวงปู่สิม แต่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่สิมเดี๋ยวนี้ไม่มีสภาพพอที่จะอบรมพระนิลเดินอยู่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ร <c oughs> พระนิลที่จะเข้าไปปฏิบัติจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะกว่านี้รพระจันทร์ทองดีท่านพูดอย่างนั้น ค, คือหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นไข่เรืออกอทำไมครับถ้าไข่มันเยอะใช่ แม่ไก่กับฟักมมันไม่เป็นตัวทุกรูกฟองอ๋อคือคือคนไปปฏิบัติไปไปฝึกกับท่านเยอะคนไปเยอะท่านไม่มีเวลาท่านไม่มีเวลาที่จะมาดูแลพระนินครับครับพราะคนมันเยอะเกินไปครับครับงั้นท่านก็เลยชวนเราว่ากลับไปทางอีสานเราดีกว่าสกลมีสองที่สกลก็มีถ้ำขามวัดดอยธรรมเกียดีนัครับกลับกับค่าน แต่เราก็บอกว่าไม่เลือกนะที่อุดรกับน้องข่ายถ้าเป็นจังหวัดอื่นสนนกลนครพนมขึ้นไปทางมุกดาหารขึ้นไปทางอุบลขึ้นไปทางนนเลือกที่จะอยู่ทำไมทาไมไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับไปอุดร น, น้องข่ายครับญาติพี่น้องเยอะอเราคนญาติพี่น้องเยอะก็เลยไม่กลับอุดร น, น้องข่ายก็เลยพอออกคนศษาได้ห้าวันแล้วพากันเดินกลับ <c oughs> เดินกลับจากเพชรบูรณ์ครับอำเภอลมเก่าครับก็เดินมาจนถึงสกล น, นี่มันประมาณเจ็ดเดือนเดินด้วยเท้าเดินจากออำเภอลมเก่าเพชบูรณ์นะฮะมาที่สกลนครไปที่สกนนลนครเจ็ดเดือน <7 S 1> พอเดืนอน อ, ออกแรมห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด เราถึงสกลมันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหกครับสิ้นเดือนห้าพอดีครับไปไปไปอยู่ที่ไหนครับที่สกลนครอยู่ที่วัดป่าอุดมสุพรรณเอ๋อไปเข้าไปที่วัดป่าอุดมสุพรรณเลยตอนนั้นมีพระอยู่ห้าองค์หกกับอาจารย์ที่เข้าไปอ๋อครับปีไหนครับหลวงปู่ครับสองพันห้าร้อยเก้าสองพันห้าร้อยเก้าเฮ้ยเป็นสองพันห้าร้สิบแล้ว มันพื้นสภาอ๋อครับสองพันห้าร้อยสิบสองพันห้าร้อยสิบครับแล้วผ่านเลยผ่านอุดรผ่านน้องคายผ่านฉันแล้วก็เดี๋พบหลวงปู่หลุยหลวงพ่อชอบก่อนพระเจรละองค์แรกก่อนที่จะมาพบหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอืท่านพระอาจารย์สก้อนได้ไปพบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบแล้วก็หลวงปู่หลุยก่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่คําดีอ๋อเป็นยังไงครับถึงได้ไปพบ ทั้งทั้งสามท่า น, นี้ได้คือพอผ่านมาเมืองเลยเนี่ยเราก็ถามข่าวว่าครูบาอาจารย์อยู่แถวนี้พอลงรถชาวบ้านเขาก็บอกเลยพอเดินผ่านหมู่บ้านมาเขาก็บอกเลยว่าจะไปหาใครหาลวงปู่ชอบหรือหาหลวงปู่รวย<อ>ชาวบ้านเขาบอกอแล้วก็แวะเข้าไปครับอยู่กับหลวงปู่ชอบระยะหนึ่งครับแล้วก็พอกจากหลวงปู่ชอบแล้วก็แยกกันอยู่กับอาจารย์ทองดีกับนีนครับอยู่ต่างคนต่างอยู่ นัดกันที่วัดธรมผา บ, บิ้งปัจจุบันนี้แล้วก็ทำกองเพลงสองที่คือเดือนเมษาให้ถึงทำกองเพลงจ บ, บลงกันอพอเดือนพฤษภานั้นจะเป็นงานศพพระอุปชาของพระอาจารย์ทงดีอ๋อครับครับ อ, อ, อยากให้หลวงปู่ได้เล่าต่อครับเกี่ยวกับว่าได้ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบนะฮะหลวงปู่หลุยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ คือพูดถึงปฏิปทาของหลวงปู่ชอบครับกับหลวงปู่หลุยนี่ับหน้ามือกับหลังมือครับต่างกันต่างกันครับแล้วไปอยู่กับหลวงปู่ฟั่นก็เหมือนหน้ามือกับหลังมือแต่ละองค์นี้จะไม่เหมือนกันสั้งองคบปฏิปทาแต่ละองค์มี้ความเฉียบขาดครับแต่ละองค์ก็มีความแตกต่างกันมากครับไปอยู่กัครับ แต่เราอยู่กับหลวงปู่ชอบก่อนครับนิจใช้หลวงปู่ชอบพูดน้อยครับแล้วก็ไม่ยใยดีกับใครอ๋อพะเน้นจะไปจะมาก็ไม่ได้สนใจครับครับผู้คนจะมากราบมาไหว้ทั้งกันนั่งดูเฉยๆอ๋อครับในสมัยนั้นครับแต่ว่าสมัยหลังมาหลังจากปีสองพันรอยสิบห้าสิบหกมากันครับคนละคนกันอ๋อทั้งสององค์ ทั้งหลวงปู่หลุยทั้งหลวงปู่ชอบครับถ้าก่อนหน้า น, นู้นก่อนหน้าสิบสี่สิบห้าสิบหกอยู่ครับมเฉียบขาดคามเด็ดเดียวครับอย่างอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ชอบมาก่อนครับทางานทั้งวันครับคือหลวงปู่ชอบสร้างวัดปีหนึ่งได้เป็นสิบสิบวัดโอ้จงหัดเลย พอสร้างเสร็จแล้วก็ให้พระองค์นั้นอยู่องค์นี้อยู่ครับแล้วท่านก็มีคนมันนิมนต์ไปต่อทังก็ไปต่อแล้วครับแล้ววัดนี้วัดที่สร้างเสร็จแล้วนี่ก็ให้พระอีกองค์หนึ่งอยู่โอครับนี่คือมีใส่หลวงปู่ชอบครับแล้วก็ไปวัดใหม่ก็ไปสร้างใหม่อีกครับก่อนอื่นก็คือทำสลาพอทำสลาเสร็จก็จะกันห้องให้หลวงปู่ขึ้นไปพักครับพอเสร็จแล้วก็ ไปทํากุฏิหลวงปู่พอทํากุฏิหลวงปู่เสร็จก็ให้หลวงปู่พักแล้วมาทำโรงไฟครับพอทำโรงไฟเสร็จเรามีพระสงฆ์กี่รูปห้ารูปพอทํากุฏิห้าหลังอพอทํากุฏิห้าหลังเสร็จแล้วก็ล้อมอรั้วหาฟืนใส่เตาลงไฟให้เต็มครับพอฟืนเต็มลงไฟแล้วก็มีคนมานิมนต์แหละไปวัดใหม่สร้างวัดใหม่ต่อ ให้พระอีกองหนึ่งอยู่โอ้โหโ <laughs> ทำด้วยมือทั้งหมดออครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่มี บ, บาแบกไม้มาทํากุฏิกุเตเสากุฏิกุเตพวกจากพวกเจอก็อมาไผ่กันเองทุกครับฟากกันเองอะไรตัวอะไรทั้งหมดปีหนึ่งสร้างเป็นสิบวัดเลยนะครับปีหนึ่งสร้างเป็นสิบวัด <laughs> <laughs> <laughs> แล้วก็ทําทรู้ว่ครับ ถ้าทําวัดกว้างถ้าทํากุฏิห่างกันมากก็ต้องทำรั้วกว้างเ<อ>พราะเป็นป่าคือครับผู้คนก็ยังมีน้อยอยู่ในสมัยนั้นอก็ต้องทําวัดให้มันแคบทํากุฏิเข้ามาใกล้สลา<อ>แต่กุฏิหลวงปู่อยู่ไกลกว่านี้<อ>ก็ต้องจําเป็นต้องล้อมไปถึงกุฏิหลวงปู่เ<อ>พราะไม่ให้สัตว์เข้าในวัดรัวร้วรัว้วรัวไม้ครั้วไม้ไม้ที่มันแห้งแล้วก็มาทําเป็นรั้ว ต้นใหญ่ๆสักัานหามกันม า, าทำมันอยู่กี่รูปครับก็มีพระอยู่เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะมีพระกี่รูปก็ทำกันเท่านั้นทีนี้หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ชอบนานไหครับเดือนเสร็จเสร็จอ๋ครับแล้วพอตอนเย็นมาก็ทำภารกิจส่งน้ำแย่เอาน้ำบางแห่งเดินลงไปนี่สี่บห้าองศาเลย ออเอียง45องศาลงไปในห้วยสององค์นี่ขึ้นมาใ้น้ำปิ๊บเดียวหามเงินขึ้นมา อ, อ, อีกคนหนึ่งก็ถือไม่หามวางลงใส่ขาแล้วอีกองค์หนึ่งก็ยกขึ้นสุดมือคือชันมากชัน อ, อ, อ, อ, อย่างบ้านม่วงไข่สมัยก่อนนะหักน้าหามน้ำแล้วก็พอ พักอยู่กับท่านระยะหนึ่งแล้วเราก็ไปบ้านแก้งบงครับพอไปถึงบ้านแจ้งบงแล้วก็เราไปพบพระเทระอีกสองรับพระอาจารย์ประสิทธิ์กับพระอาจารย์พระอาจารย์ประสิทธิ์พระอาจารย์ไออืมที่อยู่ธสกลอีกองหนึงจำชื่อไม่ได้ครับนึกชื่อไม่ออกแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็เราแยกย้ายกันไป อาจารย์ก็เข้าไปอยู่ที่บ้านกลางครัในแถวจังหวัดเลยนั่นแหบ้านกลางแล้วอาจารย์ทองดีก็ไปอยู่ บ, บ้านหินสอสุดทางเส้นทางเดินทางนั้น แ, แล้วภายหลังมาก็มีจดหมายหลวงปู่หลุยขึ้นไปหาอาจารย์ให้ลงมางานสลองจัตทายมหลวงปู่หลุยท่านสร้างสลาที่บ้านก ก, กอ บ, บอาจารย์ก็เลยเดินทางมาที่บ้านก ก, กอก เราก็มาพบหลวงปู่หลุยมบอยู่กับหลวงปู่หลุยพออยู่กับหลวงปู่หลุยแล้วหลวงปู่หลุยก็พาเที่ยวทุดงตรงกับหลวงปู่หลุยนี่ก็เออหลวงปู่หลุยนี่ยังรับแขกอยู่บ้างตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ยังมีคุยกับพวกโยมพวกอะไรครับเรียกพวกเด็กๆมาทําภาวนามาสวดมนต์มาอะไรบ้างแต่ว่านมที่ส่งมาท่านแก้วหนึ่งจะต้องต้มน้าร้อนมา จำนวนคนที่มาวัดมีกี่คนครับแล้วท่านก็จะเอานมของท่านแก้วนี้เราไปลงน้ำร้อนอีกกาหนึ่งจะเทแบ่งกันกินทั้งหมดทั้งหมู่บ้าน <c oughs> น้ำน้าน้ำผ่านนมครับ <c oughs> น้ำกินนม <c oughs> <c oughs> ได้วิญญาณ น, นมหน่อยนึง <c oughs> เสร็จแล้วท่านก็จะสันอย่างนั้นเราทำมาให้ใหม่ท่านก็จะ เ, เทใส่กิ่กาแล้วก็เอาไปแบ่งโยงกินหมด ตนลุงปู่ก็ไปไปอุปถอยู่อยู่กับลุงปู่หลุยลุงปู่หลุยนะครับเ อ, อเห็นว่าไปเวลาไปทุดดงเนี่ยลุงปู่ท่านท่านท่านท่า น, านเป็นยังไงไเวลาเดินทางครับลุงปู่หลุยนท่านจะทํากฎเป็นนิสัยของท่านคือจะทํางานคือทํากฎลุงปู่ชอบสร้างวัดลุงปู่หลุยทํากฎทํากฎที่นอนที่กลางล่มเป็นล่ม นว่าแจกคนท่านทำเองเลยค่าทำเองออพอทำกดแล้วก็ถือเอากดนั้นน่ะไปเดินทางครับแต่เวลาท่านจะเดินทางนี่ท่านจะไม่นอนคืนนั้นลุงปุุยอ๋อไม่นอนเลยไม่นอนเลยจัดของครับมันจะมีหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็มีหนังสือบันทึกของท่านที่เป็นบันทึกเทศนาของลุงปู่มั่น บ้างของหลวงปู่เสาบ้างครับของพระอาจารย์สิงห์บ้างหรือท่านไปฟังเทศในงานไหนก็ตามท่านจะบันทึกไว้แต่ท่านจะต้องห่อไปด้วยไปอ่านทั้งหมดทั้งยี่บกว่าเล่มนี่ท่านจะเอาไปอ่านด้วยเป็นบันทึกของท่านเองท่านเองบันทึกคำคำคำสอนคำเนี่ยสอนของหลวงปู่มั่นบ้างครับของครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศท่านไปในงานศพงานอะไรนี่ท่านก็จะบันทึกไว้ท่านก็จะวิจารณ์ไว้ว่าองค์นี้เป็นยังไง วิปัสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงท่านก็วิจารณ์ไว้เอาไปด้วยนะเอาไปเอาไปด้วยเขาเอาผ้าอาบน้ำผ้าสะบงงะห่อเอาแล้วก็มีพระไตรปิฎกอีกสองสามเล่มเล่มหนาขนาดนี้แล้วก็มีบาทแล้วก็มีกดเครื่องมือทำกดอีกนี่แสดงให้เห็นว่าพระ ป่าพระพกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งเรื่องของปริยัติเรื่องของ ม, อมความรู้ในในการจัดการอ่าอ่านเลยนะครับคือท่านไม่เรียนแต่ท่านท่องจำํำ <c oughs> ต่างกันกับการเรียนนะท่องจํหมายความว่าไงครับคืออย่างเสกี้วัดเจ็ดสิบ้าข้อเนี่ยท่านว่าเป็นที่ละข้อละ ข, ข, ข้อได้หมดครับขันธวัดสิบ สี่ข้ออย่างนี้ท่านก็ว่าเป็นทีละข้อได้หมดครับทุตดงกวัฏสิบสามข้อเนี่ยท่านก็เรียงลําดับมันได้เลยพูดบอกกันได้แบบข้อนี้หมายความว่ายังไงข้อนี้หมายความว่ายังไงครับครับอือไปเข้าใจว่าท่านไม่เรียนแต่ท่านท่องจำในสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ท่านไม่นั่นแหละแต่ท่านท่องจําอย่างพระปฏิโมกทั้งอัดทั้งแปล ท่านว่าได้ทั้งอัดทั้งแปรครับอัดก็ได้พยัญชนะก็ได้ครับก็นี่ครับก็รงจะหนักหน้าดูนะครับกว่าถ้เป็นวันโกนด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีกทําไมอะครับวันโกนวันโกนพอท่านพาเดินไปกลางทางแล้วเห็นหุ่นนลาห้วยค่ะแล้วท่านก็จะโกนหัวครับแล้วก็น้ําใจหัวท่านแล้วโกนโกนโกนโกนท่านเสร็จครับท่านก็ส่งน้ําส่งเนื้อเสร็จก็จะโกนช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมง แต่พอโกนหัวท่านเสร็จแล้วท่านก็จะไปนั่งชั้นมากพอฉันมากเสร็จเราก็โกน ห, หัวเราทีอ๋อครับพอเราโกนหัวเราได้ครึ่งเดียวเท่านท่านก็บอกว่าไปครับพอไปนี่ท่านลุกนะไม่ใช่ท่าน<อ>ไปแล้วท่านอยู่ครับครับแล้วบัด น, นี้เรารู้ไม่ทางเส้นนี้ที่เดินไปครับระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเราเคยไปเราไม่เคยไปทางเส้นนี้เราไม่เคยไปครับแล้วไม่รู้เส้นไหนที่ทางเข้าบ้านเขาทางเข้าไห่ทางไปนาทางไหไรเราต้อง จำรอยหลวงปู่ดูรอยหลวงปู่ก็ดูให้ออกดูรอยรองเท้าท่านไม้เป็นนะบัด น, นี้ก็เราก็ต้องวิ่งลงไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเตรียมของท่านตะพายบาทตะพายบาทท่านแล้วตะ บ, บัดเรารแล้วก็ห่อนหนังสือัคเครื่องมือทำกฎ<อ>เดินโดยเท้าทั้งนั้นแล้วแล้วล้วก็โกนหัวไปด้วยบัดเนี่ เดินไปด้วยกหัวไปด้วยเดินหัวไปด้วยกลนหัวไปด้วยอย่างนั้นเลยไม่งั้นก็ไม่ทันนะครับผมเอาถ้าไปหลงทางมันจะไปไหนละเพราะเส้นทางเราไม่เคยเดินเพราะไม่ใช่นั่นเป็นเส้นทางที่ทางป่าทั้งนั้นไอทางเตียนนี่เป็นทางเข้าไร่ทั้งหมดทางที่จะเข้าบ้านนี่เป็นทางลกไม่ค่อยมีคนเดินมันต้องจำเส้นทางให้ได้ับอาจารย์เคยเจอแล้วงานกลหัวไปด้วยเดินไปด้วย อยู่กับหลงปู่ลุยพูดถึงการทุดดงนี่เห็นว่าท<ม>่านประาจาร์สกรเองก็เคยหลงใช่ไหมฮะโอ้ยเคยเดินทางหลงเป็นวันๆก็เคย๋อครับหลงสี่ห้าชั่วโมงก็เคยโอครับสมัยก่อนตอนที่มาอยู่สกลแล้วนี่ใช้แผนที่ใช้เข็มทิศครับภายหลังมาเขาเดินจริงๆแล้วใช้ไม่ได้เข็มทิศก็ใช้ไม่ได้แผนที่ก็ใช้ไม่ได้โอใช้ใจได้อย่างเดียว ใช้ใจได้อย่างเดียวใช้ใจได้อย่างเดียวโอ้โหปลดเดินแล้วมันวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมสองรอบสามรอบแล้วอออกไปได้ครับเปนที่ก็ใช้ไม่ได้เข็มทิศก็ใช้ไม่ได้โอครับพอสุดท้ายมาก็ต้องใช้วิชาใจครับนั่งกำหนดเดี๋ยก่อนอ๋อเมื่อเส้นทางมันอยู่ทิศไหนแล้วก็กำหนดทิศที่เรานั่งซ้ายขวาครับพอเรากำหนดทิศที่ซ้ายขวาได้แล้วแบนียเราก็เดิน มันก็จะเป็นแนวทางไปเรื่อยอตามที่เราเห็นในนิมิตครับถึงหาทางออกได้ครับทางก็ออกไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นในที่เก่านั้นครับสามรอบเคยจันเคยเดินหลงนี่เดินหลงมาสามรอบครับแล้วว่าเราเดินไปนี่แต่ไม่รู้มันวนมาได้ยังไงมาที่เก่านี่สามรอบครับถึงต้องมาทําสมาธิเดินมัน ก็หลวงปู่หลุยท่านก็พาทุดงพาทุดงอย่างนี้ก็อยู่กับหลวงปู่พวกหลวงปู่หลุยทักนานไหมครับสองเดือนกว่ากวสองเดือนกว่ากว่านะครับมีนาเมษาครับอล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็เดินออกจากถ้ำพระบิ้งแล้วก็ไปหนุ่มบุรีมพูครับไปพักที่ไร่ครับพอไปพักที่ไร่ก็วันลุงขึ้นมาครับ โดยเดินบินธบัตในหมู่บ้านครับคือเราไปบ้านอยู่นี้ไล่อยู่นี้ครับาไยพักที่ไล่นี้ก่อนกลางคืนเราก็ไม่ได้บอกใครครับพอไปถึงบ่ายสามโบ่ายสี่โมงกว่าส่งน้ําเสร็จเดอขึ้นไปที่ไร่ก็คือบ้านไล่ไล่ไล่ไล่เมื่อก่อนไล่ยมพ่อยมแม่เมื่อก่อนครับมันมีกระตอบอยู่เราทํากระตอบไว้อยู่คเพราอเราเพิ่งมาบวชสองปีมันกระตอบมันก็ยังไม่พังเราก็เลยไปนอนที่กระตอบที่ไร่ครพอเช้ามาออกบินธบัตก็เอาของไปพร้อมหมดเลย เดินบินนบัตในหมู่บ้านแล้วก็เลยถามพวกโยมมีใครบ้างที่ขึ้นไปอุดรแล้วขอขี่รถสักทีเถอะเดินมานานแล้วครับก็เลยขอขี่รถก็เพิ่งไปโยมแม่โยมแม่จันทูปนี่นะเขาจะขึ้นไปอุดรครับเคยขออาศัยรถก็ไปลงที่ห้วยเดือยเดินเข้ามาทาำเพ้นแล้วก็ถึงเด้ไปสกลต่อครับก็เนี่ยครับจะแต่ห<ะ>ลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบครับ สนมากจะทําสมถะกรรมฐานเป็นใหญ่สมถะคื อ, อยังไงครับหลวงปู่สมถะคือทําจิตให้สงบครับเสียก่อนครับแล้วก็ถึงพิจารณาอริยสัจแต่การเดินอริยสัจเดินเหมือนกันเดินไตรักเหมือนกันในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌ า, านาคือการเพ่งนี่อะมาทาเหมือนกันในสุดตายครับแต่ คนยุคหลังมานี่เท่าที่อาจารย์ทั้งเกตรตที่มาสัมผัสมานี้นี่จะไม่ได้มีเจตนาการทำสมาธิภาวนาขาดเจตนาขาดหลักของการเจตนาเจตนาคือยังไงครับผมคือสมมติว่าโยมจะมังทำงานวันนี้กี่โมงเกือโมงใช่ไหมครับตอนเย็น หลังจากยมอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยโยมจะต้องกําหนดตื่นกี่โมงเพื่อว่าจะเดินทางมาถึงที่ตรงนี้ว่าตื่นหกโมงหกโมงเช้าเออครับาก็ต้องตั้งเจตนาก่อนใช่ไหมปฏิอาตเตอร์ตื่นหกโมงเช้าเพื่อจะตื่นหกโมงเช้าแล้วก็จะที่มาทํางานตรงนี้ครับแต่บัด น, นี้การทําสมาธิภาวนาของทุกวันนี้ไม่มีครับ ไม่มีการอธิบายว่าจะให้ทําเจตนาอั น, นี้ขึ้นมาก่อน อ, อธิบายสมถะก็อธิบายสมถะไปวิปัสนาเราถวายปัตนาไปครับเสร็จแล้วพอทําไปแล้วไปไหนเพราะกินสงบมันก็เลยไปตายอยู่กับความสงบอ๋อไม่ได้ไปถึงอริยสัจสไม่ได้มาถึงอริยสัจสี่เหมือนกับเรานอนอทนายวันไหนโยมวันไหนที่จะไม่มาทํางานครับ ยอมจะนอนโดยที่ไม่กําหนดวันเวลาตื่นใช่ไหมนะใช่ครับบางทีอาจจะเจ็ดโมงบ้างแปดโมงบ้างเก้าโมงบ้างครับหรือแล้วแต่จะตื่นเวลาไหนก็ได้ครับพอเราไม่กําหนดที่จะไปไหนครับพออยู่บ้านเรานี่มีความสุขที่สุดครับไม่มีที่ไหนที่มีความสุขไปกว่าบ้านเราครับฉะนั้นคนที่ทําสมาธิภาวนาก็เหมือนกันมือนเท่าที่ฟังครูบาอาจารย์พูดมาพูดมายุคหลังๆมานี่ ชักอย่จะปล่อยให้กิตไปตกอยู่โมหะสมาธิซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือไปติดกับกับความสงบอย่างนั้นใช่ไหมครับจิตติดกับความสงบอ๋อครับความสงบตัวนั้นบางทีกลายไปเป็นโมหะสมาธิไปก็ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อไม่ไม่สามารถที่จะเดินไปหาอริยสัจได้อ๋อครับครับก็แบบเรานอนที่ไม่กําหนดเวลาตื่นครับ ดังนี้การทำสมาธิภาวนาในยุคก่อนครูบาอาจารย์จะคำสั่ว่ามันต้องเตรียมตัวก่อนครับต้องเตรียมงานตัวเองก่อนว่าจะทําอะไรครับครูบาอาจารย์จะบังคับแบบครับอืมมันต้องอย่างจะทํากับข้าวอย่างนี้ครับไอการทํากับข้าวเอาของลงใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้อนี้ฮะกับเราไปเอาของมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมาครับมันเอามาต่างสถานที่กันใช่ไหม ครับนั่นมันเอามาต่างสถานที่ผักผักหนึ่งก็ต้องไปเอามาจากที่ต่างๆกันครับผักชีก็ต้องเอาอีกจากแปลงหนึ่งผักบุห่หอมก็ต้องเอาอีกแปลงผักบุ้งก็ต้องเอาอีกแปลงหนึ่งต้องเตรียมเตรียมการก่อนเตรียมการก่อนเตรียมของอุปกรณ์ต่างต่างอุปกร์ประกอบก่อน เมื่อเราเตรียมเตรียมองค์ประกอบเสร็จแล้วแบบนี้รเราถึงถึงจัดการที่จะทำอะไ ร, รอย่างที่อาจารย์เข้าไปอยู่ที่หลวงปู่ฟันเนี่ก็จะให้เตรียมองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่งานงานสำรวจเป็นงานที่ยากเย็นมากเป็นงานที่สำรวจสำรวจอะไรครับคือต้องสำรวจทุกอย่างว่าเราจะทำยังไงที่ใส่ใจคอเราเป็นคนแบบไหนพื้นฐานเราเป็นคนยังไงมันต้องดูพวกนั้นก่อน นครับอยากให้น้องปูเล่าให้ฟังนิดนิดหน่อยครับว่าไปอยู่กับหลวงปู่ฟันแล้วเออพอเข้าไปอยู่หลวงปู่ฟันเป็นเป็นยังไงบ้างครับหลวงปู่ฟันคือหลวงปู่ฟันนั้นจะให้ดูเรื่องต่างๆก่อนสารวจดูก่อนครับครับงานทั่วๆไปครับต้องเราดูนิสัยใจคอของเราเป็นคนเช่นไรครับโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตครับเราจะจัดการกับตัวของเรายังไง ถ้าเราเป็นคนโทสะจริตอย่างรับเราจะใช้อะไรเป็นหลักที่จะมากำจัดตัวโทสะนั้นได้เราโทสะให้อะไ ร, รก็ต้องดู<ช>พวกนั้นน้องปูฟัน่นที่ที่ที่หลวงพันพันชคศรได้ไปอยู่ด้วยครับ เ, เห็นว่ามีพานหลายองค์นี้ไปไปวัดดุลรนสมพรดุลนสมพรแต่ว่ายังไม่ทันจะวางบาน ท่านไล่หนูก็มีใช่ไหมฮะมีเป็นประจํามีเป็นประจ ำ, ะจำอ๋อครับครับวางบัตรลงแล้วก็ได้ไหว้ท่านแล้วก็ครับท่านก็บอกว่าเอามีรถกําลังจะกลับไปรีบกลับไปครับอย่างนั้นก็เป็นประจําครับทีนี้หลวงพู่ไปอยู่ตอนแรกเนี่ยมีพระห้าองค์มีพระห้าองค์ครับแล้วอาจารย์เข้าไปก็เป็นองค์ที่หกครับของวัดได้ไปเรียนหลวงพู่ปั้นว่าไงบ้างครับก็ไม่ว่าอะไ ร, รก็บอกว่า เป็นชาวน้องบุรลมูครลงเราก็ไปจำรรษาที่เพชรบูรณ์ครับแล้วก็ได้มาแวะพักหลวงปู่ชอบในภพเทระพาเทระก็คือหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุยอ๋ออาจารหลุยเคยอยู่กับกันด้วยกันกับเรากัานว่าแล้วก็เคยไปกราบหลวงปู่คําดีคแล้วก็มากราบหลวงปู่ขาวแล้าก็เพิ่งไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวมานี้เจริญเขาว่าจะตายจะตายแต่เราไปเยี่ยมแล้วไม่ตายหรอก ท่นนยังเราายู่ฟังอยู่เสร็จแล้วก็เข้าไปปักท่านก็ไม่ว่าเลแเราก็พอสุดท้ายมาท่านก็แรกแรกท่านก็ยังไม่เ่อมวดอะไ ร, ร, รพอวันอาจารย์เข้าไปวันแรกมันขึ้นหนึ่งข้มเดือนหกพอขึ้นเก้าข้มเดืนอนหกนั่นแหล หลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ชอ บ, บไป<ม>พอเห็นรถมาอาจารย์ก็ดูอ๋อหลวงปู่หลุยนี่หลวงปู่ชอบนี่มาเป็นลงมาแล้วก็มีพระติดตามมาสามสามองค์ครับท่านมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันครั บ, รบแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาพักอยู่ที่นั่นถึงวันสิบห้าค่บวันอุโบสถ วันวิสาขาบูชาครับพอเสร็จแล้วก็ท่านก็เริ่มคุยกันเลยครับน้องปูหลุยเริ่มฮเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มพัลนาสรรพคุณของตัวท่านจา่าเด้งนะฮะอ๋อครับพอเราเคยอยู่ท่านสองเดือนท่านก็รู้จักนิสัยใจคอเราพอสมควรอ๋อครับท่านก็เลยเล่าให้น้องปูฟันฟังเลย ครับไม่รู้ที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรเรายังไม่ได้ดูอะไรเลยหลวงปู่ฟันทั้งกายอย๋ อ, อครับอนุ้งปู่ลุยท่านก็ฝากว่าให้ดูแลให้ออครับคือคก่อนอาจารย์จะออกกับกลุงปู่ลุยอาจารย์ก็พูดไว้ว่าจะไปหาหลวงปู่ฟันครับนุ้งปู่ลุยท่านก็สนับสนุนท่านบอกว่าดีครับพระในประเทศไทยนี่ที่ทแทนจันทร์ ใหญ่ยกย่องก็มีท่านจันฟั่นนี่แหละองค์หนึ่งท่านไหวที่ลุงปู่มันยกย่องที่ลุงปู่มันยกย่องครับครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปครับแต่พอไปเพิ่งจะอยู่ห้าหกวันนี่ลุงปู่ฟั่นก็ยังไม่มีการปฏิบัติการอะไรครับพอทําวิสาขาเสร็จแล้วก็มันลงขึ้นมาันแรมหนึ่งข้าเดือนหกเราก็ไปส่งหารถให้ลุงปู่ ชอบหลวงปู่หลุยขึ้นไปนองผือเสร็จแล้วหลวงปู่ฟันก็เริ่มปฏิบัติการทาทำยังไงฮะเริ่มอบรมสั่งสอนเริ่มถามนู่นถามนี่ถามนี่ถามนั้นอเดินอยงกลมกี่ชั่วโมงครับนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงต่อวันทำงานอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันเห็นท่านปูกว่าเหมือนกับ บิดผ้าเลยอะ บ, บิดผ้านันก็บิดเข้าไปเรื่อยๆอไม่มีวันที่จะขายมิเตบิดก็บิดที่จะเข้มงวดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิงขึ้ น, น, นมิเตหนักขึ้นไปทุกวันครับหนักมือขึ้นไปทุกวันครับแต่ที่แรกเราก็จะถอดใจเหมือนกันครับพอดีนี่กโอ้หโหหด เนนนี่พอเราถามอะไรหน่อยเนี่ยมันถามเราเลยว่าคุบามีตาหรือเปล่าเนนนะอไปตอนนั้นไปถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องยาครับครับแล้วเนี่ยมันก็ตอบเราว่ามีตาหรือเปล่าคุบาอ๋อครับมีหูหรือเปล่าครับหลวงปู่หลวงพูดอะไรเอาเลยเนนนี่ก็โหดครับพอสุดท้ายมาเราก็คิดในใจเลยว่าถ้าเรา ยังเป็นเรามีลมหายใจอยู่นี่เราจะต้องทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระอุปถากรุงปู่ให้ได้อ๋อครับมันจังหวะพอดีที่พระจันทร์ปิ่นครับท่านมางานทำ บ, บุญให้โยมบรรดาครับแล้วก็ไม่มีพระอุปถากรุเหมือนช่วงนั้นช่วงที่อาจารย์เข้าไปเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยว ช่วงหน้านะครับจะกลับมาคุยกันต่อนะในช่วงที่ท่านพระอาจารย์สาครได้เป็นพระอุปถัมภ์ของหลวงปู่ฟ้านาจาโรที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะครับว่าเรื่องราวตอนนั้นจะเป็นอย่างไรช่วนนี้เราพักสักครู่ครับ <S <S <ม>ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมบันดาลใจนะครับก็สนทนากับท่านพระอาจารย์สาคอธรรมมุโทโธถึงช่วงเวลาที่ท่านพระอาจารย์สาครได้ ไปรับใช้อุปถาก์นะครับหลวงปู่ฟ้านาจาโรนะครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมจุลพรคือช่วงนั้นเป็นพระเนนน้อย ค, คือเราเข้าไปเป็นพระองค์ที่หกเท่านั้นเองในวัดป่าอุดรจุลพรแต่เสร็จแล้ววันนี้มันพอพรรษานั้นก็มีพระไม่ถึงสิบรูปในพรรษาปีสองพันหรอยสิบ พอพระอาจารย์ปิ่นที่เป็นพระอุปถักต์ท่านอยู่เดิมท่านไม่อยู่โอครับท่านมางานทําบุญโยมแม่ที่ลบบุรีครับแล้ท่านก็เลยหนีขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือเลยไม่กลับอ๋อมันเป็นจังหวะที่มันก็เราเป็นพระหนุ่มนอกจากนั้นเป็นพระแก่ทั้งหมดสี่สี่องค์ครับลุงตามีแต่ลุงตาแก่ๆครับเสร็จแล้วครับคนที่จะทําหน้าที่ก็มีเนนอยู่ครับ แตเนีนก็ธรรมชาติของเนีนก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะครับแต่เขาก็รู้เรื่องอฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปทําหน้าที่ที่ว่าเราจะต้องดูแลของทั้งหมดครับนี่ตอนนั้นลุงปู่เพิ่งฟื้นจากการป่วยครับฉต้องฉันยาเป็นประจําฉันอะไรต่ออะไรครับฉะนั้นเราก็เราก็เคยว่าคิดว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดครคูบาอาจารย์ครับ แต่พอเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดครัเพราะความเข้มง้นข้นของคูบาอาจารย์มากครับครับถ้านอนคืนหนึ่งนี้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อครับกลางวันนีจะพักไม่เกินชั่วโมงต่อวันครับฉะนั้นมันก็เลยต้องลําบากเหมือนกันครับตื่นกี่โมงอ่ะตื่นก็ตีสามตีสามนะครับนอนก็เกือบตีหนึ่ง คือตัวท่านอาจารย์ละกอเดนี้ต้องตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนหลวงปู่ฟั่นแล้วก็นอนนอนที่หลังอครับแล้วเวลาฉันนะครับฉันที่หลังอิ่มก่อนอ๋อครับเวลาเราใช้เวลาฉันนี่ประมาณเจ็ดนาทีตั้งล้างบาศเสร็จคเจ็ดนาทีนี่ต้องล้างบาศเสร็จเพราะหลวงปู่ท่านจะใช้เวลาฉันอยู่สิบนาทีแล้วก็ฉันฉันผลไม้อีกสามนาทีอ๋อครับเป็นสิบสามนาทีครับแล้วก็ล้างมือโอเร็วมากเลย <c oughs> คือไม่ปล่อยให้ได้สบายอย่างทุกวันนี้ในสมัยนั้น mm hmm. แล้วพอเวลาลงธรรมวัดเยน็น้ามีพระนิ่นั่งง่วงนอนท่านก็ไม่ภาเริกอยู่สว่างเฉยตรงนั้นท่านก็เทศอยู่นั่นนะแล้วจนกลัวจะหาเหตุได้ว่ามันมีอะไ ร, รมันถึงได้ง่วงนอนอาหารมากรหรือกิจมันวันไหว ครับเราต้องไปหาจนได้ท่านถึงจะพาเลกครับนี่คือในิสัยของหลวงปู่ฟันครับแล้วหลวงปู่ฟันนี่เป็นธรรมชาติของหลวงปู่ฟันถึงได้รับการชมเชยของหลวงปู่มัม่นว่าหลวงปู่ฟันนี่ขึ้นชื่อวากิที่ไหนก็ตามเคลื่อนไหวที่ไหนก็ตามในโลกหลวงปู่ฟันรู้หมดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนก็ตาม อย่างคนเขามาพูดกับท่านว่าลูกเขาไปอยู่อเมริกาสิบกว่าปีมานี่เขาไม่ติดต่อเลยติดต่อไปก็เงียบติดต่อไปก็เงียบอะไรก็เงีย บ, บถ้าท่านรับปากว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาแร้วคําพูดคํานี้เราเตรียมจับที่บางแอปเปิลได้เลยกลมาแน่กลับมาแน่กลับมาแน่ไม่เกินเจ็ดวันอ๋อครับกคือท่าน บูฟ่านนี้ท่านจะขึ้นชื่อเรื่องของพลังจิตนครับผมครับเรการที่อยู่ท่านเราต้องตั้งนิ่งอยู่ตลอดขยับไม่ได้สมาธิเราจะต้องตั้งอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้คเคยมีพระนินที่เข้าไปหาท่านไปนั่งอยู่ข้างหลังท่านวักกลับไปข้างหลังท่านพูดคุยอยู่เรื่องข้างหน้า มันมาปฏิบัติเลื่อนมาทำอะไรมานั่งฟุ้งซ่านอยู่ได้ยังไงอ๋อครับเหงื่อออกเป็นเม็ด ๆ, ๆเลยโอ้โหฉะนั้นเราเห็นอย่างนั้นครั้งสองครั้งโง่โ ห, ห, หดแล้วหรือจิตนี่จะฟุ้งซ่านบอกแวกไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเราปู่ท่านรู้หมดรู้หมดโอ้โหครับในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านหมู่บ้านบา ท, ทองมบ้านนาหูช้างครับเครื่องขยายเสียงจะเปิดไม่ได้เลยครับครับ ตั้งแต่ภายหลังมาที่มีรถขายน้ำปลาผ่านหน้าวัดนี่ยังไม่ได้อครับเสียงเขาเปิดเพลงผ่านหน้าวัดนี่ได้ยินชัดเจนไม่ถึงสามนาทีเพลงนั้นมันก็จะแอบเงียบ <c oughs> คือผ่านหน้าเมนหน้าจะดีทุกวันนี้ <ฮะ S 2> ถนนหน้าจะดี่ะ คือถนนเส้นนี้อาจารย์เป็นคนตัดให้ชาวบ้านคือสมัยก่อนที่เขาผ่านเข้ามาข้างวัดนี่หลวงปูท่ท่านว่ามดังหนูขู่พวกเราก็เลยสำรวจเส้นทางตัดทางใหม่อให้พวกชาวบ้านเขาใช้ครับคือเวลาท่านออกไปบินธบาติเนี่ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่อะไรมาก็ตามำเขาต้องพิ่งพุ่งลงข้างทางหมดรถเปกอัพเปกอัพนี่มันจะต้องพุ่งลงข้างทาง เวลายวหลวงปู่เดินบินธบตมไม่กล้าส่วนเฉนินคือเวลาอยู่กับหลวงปู่นี้ต้องรเราก็ต้องฝึกตัวของเรารมีเกตนาของเราขึ้นมาที่จะทำงานพอเราฝึกตัวของเราไปแล้วก็สบายบอยู่ได้สบาย คือดูกลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านพระจานทนครก็เรียกว่าต้องเรียนรู้งานอย่างในวัดหมดเลยในวัดงานไฟฟ้าปะปากุฏิครับสร้างกุฏิสร้างสำนักซีครับทํางานก่อสร้างทุกอย่างขุดสะครับเมื่อก่อนสะนั้นไม่กว้างถึงขนาดนัครบเดี๋ยวนี้ภายหลังมานี้เราขุดกว้างร้อยหกเมตรครับยาวยาวร้อยหกเมตรกว้างร้อยเมตรครับสะต้นมะพร้าวก็พวกเราปลูก รอบสะลดน้ําลดน้ํามะพร้าวอยู่สองปีควรจะติดรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติ ด, ด้วยการปฏิบัติครับก็คือหลวงปู่นอนครึ่งชั่วโมงกลางคืนโอ้หลวงปู่ฟ้านั่นนอนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกลางคืนโอครับแล้วกลางวันท่านก็จะพักประมาณชั่วโมงนึองอตรวนี้พระอาจารย์สการ์จะได้นอนนะครับก็คือ ก็ไม่ได้นอนเราไม่ได้นอนเป็นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้นอนฉะนั้นตอนนั้นน้าหนักเราอยู่ห้าสิบห้ากิโลก็พรอมไม่ได้นอนเสร็จแล้วก็คือพอเรากลับไปคุติเราก็ไปเดินยงกลมเราก็ตั้งจิตกันหนดตั้งนาฬิกาชีวิตขึ้นมาถ้าหลวงปู่ท่านจะตื่นนาฬิกาชีวิตมันก็จะเตือน ปุกขึ้นมาพอนาฬิกาชีวิตมันปุกล้วก็เอาพาทั้งคติพากีวรไฟฉาย <ฮะ S 2> เดินกลับไปที่กุฏิหลวงปู่พอเดินกลับไปที่กุฏิหลวงปู่ก็พอเราไปถึงท่านก็จะตื่นพอดีอตื่นเราก็ขึ้นไปหลวงปู่ท่านจะไม่ฉันน้ำเย็นน้ำที่ท่านจะฉันจะต้องเป็นน้ำร้อนที่เดือดเดือดแล้วก็เก็บจะในกระติกไว้แต่เวลาเทออกมานี่ ท่านจะสั่นได้เลยขนาดน้ําเดือดเดือดเราก็ต้องมีวิธีที่จะต้องทําให้มันเย็นไม่ใช่ว่าเอาน้ําแข็งไปใส่นะสมัยนี้เขาเอาน้ําแข็งไปใส่เพราะดีท้องอืดครับแต่วิธีพวกเราทํานี่ก็ใส่แก้วสองใบเทกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้มันเย็นนะครับให้มันเย็นแล้วก็น้ําล้างหน้าครับท่านจะล้างหน้ากับที่นอนครัพอลุกขึ้นมาก็นั่งล้างหน้าพอดีเราก็ปูผ้าปูผ้าแล้วก็มีกระโถน พลางหน้าแล้วก็เตรียมยาซิฟันเตรียมแปรงซิฟันยาซิฟันน้าล้างหน้าช้หน้าหนาว เ, เราเราเราชอบอยู่ในห้องลุงปูพยายามแยหาเลื่อนทไมะมันหนาวอยู่ข้างนอกมัน4องศาถ้าอยู่ในห้องลุงปูเราปรับให้อุณหภูมิมันอยู่ที่20องศาได้มี heater อืม มีฮิตเตอร์อ๋อมีฮิตเตอร์ไหมไม่ตอนแรกไม่ใช้ฮิตเตอร์เป็นใช้ตะเกียงตะเกียงตะเกียงเป็นสแตนเลสตะเกียงทองแดงครับมันเป็นโค้งแบบนี้เลยจะมีไส้มีไส้แล้วก็จุดจุดแล้วมันก็จะสะท้อนแสงออกไปครับนี่ก็จะอุ่นพอดีตะเกียงทองอาจารย์หมออวยเอามาจากเยอรมันมาถวายหมออวยเกียริงิล์นะครับหมออวยเกียิศิ์มันถวายแต่ตะเกียงกร่ำคนอื่นจุดมันลุกครับ ถ้าเราจุดอยู่ในห้องก็ไม่ลุกจุดที่ไหนก็ไม่ลุกหให้ใครจุดไม่ได้ตะเกียงลุกนะห <c oughs> ลวงปู่จุดเยังมันก็ยังลุกอ <c oughs> แต่ถ้าอาจารย์จุดไม่ลุกครับจะให้พระไปแทนภายหลังมาก็ไม่มีไปแทนไม่ได้เพราะต้องจุดตะเกียงหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ฟั่นกี่ปีครับสิบปีสิบปีจนกระทั่งท่านมรณภาพมรณะภาพแต่ตอนหดหดๆก็ตอนที่ท่านป่วย สี่สิบสี่วันที่อยู่วัดเป่าหนึง่งปลอดในสี่สิบสี่วันนี้คือไม่ต้องนอนสี่สิบสี่วันอยู่สี่สิบสี่วันนี้ไม่นอนช่วงก่อนที่ท่านจะมรณะภาพก่อนมรณภาพอหมู่ฟ้าท่านป่วยเป็นอะไรครับโรคลาโลลาครคชลาแล้วก็ภายหลังมา ก, ก็เป็นโรคปลอด มันก็เป็นโรคชราพอท่านงานหนักครับรับแขกตลอดวันตลอดคืนคมากรุงเทพนี้เจ็ดวันเนี่ยอาจารย์ว่าเจ็ดปีเพราะเป็นพัดเดินทางกับหลวงปู่เจ็ดปีนี่มากรุงเทพตลอดเลยไม่มากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพนี่เจ็ดวันเหมือนกับอยู่เจ็ดปีหมายความว่าไงครับก็ตื่นตีสามตีสามมีคนมาใส่บาตรหลวงปู่ฟัน ต้องอบาตออกมาตั้งครับครับพวกที่จะไปต่างประเทศตอนหกโมงนึงเขไปแวะใส่บาตก่อนอ๋อครับพวกที่จะไปจันทบุรีไปปักใต้ไปอะไรต่วอะไรกขไปแวะใส่บาตก่อนที่ไหนฮะที่ท่านพักอยู่วัดเจนาหรือพักวัดประสีโอ้ครับหรือพักวัดบวรนี่ครับคือท่านพักที่ไหนก็ตามในกรุงเทพนี่ในยุคนั้นนี่เราน้ำรถได้วันเดียว วันแรกที่ท่านมาถึงหลังจากนั้นก็นับไม่ถ้วนเลยอย่าเป็นนับเลย <c oughs> อย่างวัดพระศรีนิเต็มหมอกไปถึงเมนที่แปดสิบไล่เราอยู่ถึงตีหนึ่งทุกคืน อ, อกว่าจะได้นอนตีสามก็มีคนมาใส่บาทแล้วไม่ว่อมาอยู่กรุงเทพนี่เหนื่อยหนักกว่าอยู่ที่สกลนอครเนี่ยนะครับอยู่ที่สกลอ๋อครั บ, รบก็ถึงบอกว่ามาอยู่กรุงเทพเจ็ดวันเหมือนกับอยู่มาอยู่เจ็ดปี พะเราต้องทำคนเดียวหมดทุกอย่างตั้งแต่ล้างบาตรตั้งแต่เก็บของเก็บอะไรตัวนันบจะมีคนถวายของท่านจะได้ประมาณระหว่างสามร้อยกล่องในเก็ดวันที่มาอยู่เทป<อ>จัดเป็นกล่องไม้ขงขนนกล่องไม้งคงไม้คบแล้วท่านก็จะทดสอบเราว่าเอาโอเล่ของนายวิชิต โอ้สามร้อยกล่องไปค้นหายังไงฮะมาถวายพาเนนคือเวลาเราหลวงปู่ทั้งกลับไปถึงนี่ปุ๊บช่วงหลังมานี้จะมีพาเนนอยู่วัดประมาณสามสิบสี่สิบรูปผ้าเนนก็จะลุมมากราบท่านแล้วเขาก็ท่านก็จะสั่งเอาโอเล่ในช่างวิชิตมาถวายพ้าเนรัน โอเล่เหมือนกันจะเป็นของคนอื่นนี่ไม่ได้โอ้โหโอเล่เหมือนกันก็ไม่ได้ครไม่ได้ต้องของช่างในช่างวิชิตต้องของในช่างวิชิตผู้มาติดตามหลวงอฟันมารูปเดียวเลยเหรอครับตอนที่ท่านมองเทวคือส่วนมากก็จะมากันกับท่านจันแปงหรือตอ่าครูสุวัตครครับแต่เราเป็นพระอุปถัมภ์อ๋อคือต้องดูแลทุกอย่างเลยดูแลทุกอย่าง อ๋ครับแต่ท่านจันแปลงท่านจันสุวัตเน้นท่านมาในตามของพระปัจราสมณะครับครับนี่เะฉะนั้นเราก็ต้องพระอุปธังต้องทําทุกอย่างครับครับตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งหลับแล้วก็ไปถึงนี่เราก็ฝากรถไฟไ ป, ไปไปลงที่อุดรพอเอาของสามร้อยกล่องทยอยฝากวันละห้าสิบกล่ อ, องห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องขึ้นไปครับ ฝากหัวรถจักรขึ้นไปลงที่อุดอรครับพอลงอุดอรเสร็จพอของหมดอืเราก็สั่งทางอุดอรว่าของหมดแล้วให้เอาของไปส่งไว้ที่วัดเป่านรุนครครั บ, รบเขาจะเอาสิบลอ้อหรือเอาหกลอ้อไปส่งที่อุดรที่สกลอ๋อครับท่านเจ้าวัดท่าน จ, จะนจแปลงถ้าท่านไม่ได้มากับเราท่านก็จะเก็บของเข้าห้องครับครับอืมพอเรากลับขึ้นไปปุ๊บหลวงปู่ท่านก็จะสั่งว่า เอาโเล่ให้ช่างวิชิตมาถวายอานินเราก็สั่งรื้อลงรื้อลงรื้อลงลื้อลงลงปู่ถึงกมดไปยืนดูกล่องนี้หรือเปล่ากล่องนู้นหรือเปล่ากล่องนู้นหรือเปล่าไปเปิดดิเป็นเรื่องเลยนะทาไมครับเออถ้าเปิดไม่ถูกกล่องปุ๊บก็เป็นเรื่องเลยอ๋อขาดสติฮะือไม่มีสติสตังเอาไปเทศได้อีกเป็นเดือน ครับดังนั้นใครจะโอ้โหไ ม, ไม่ไม่ไม่ง่ายท <c oughs> างกันที่อยู่กับครูบาอาจารย์เราจะทํางานทุกอย่างเราจะดูแลทุกอย่างแล้วเราจะทำํำ <c oughs> แล้วเราก็ต้องทําภาวนาด้วย<อ>นี่คอือเรื่องสำคัญ <c oughs> แล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเราด้วยครอย่างเวลาคนไปคนมาหาหลวงปู่อย่างเราก็ต้องทดสอบตัวเราด้วย แต่หลวงปู่ทั้งก็จะเน้นเรื่องทําสมรถะกรรมฐานเป็นหลักครับแล้วให้ตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ไปพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกครังงน่าตาพิจารณาอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้ประจักษ์พอเราพิจารณาให้ประจักษ์แล้วก็ถอยกลับมาหาความสงบอีก เข้าสู่อัปินาสมาธิอีกแล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาอีกอันนี้คือเราตั้งเจตนาไว้ก่อนที่เราจะทำงานเหมือนกับเราจะนอนเราตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเราจะตื่นเวลาไหนพอเสร็จแล้วเราก็ถอยเข้าแล้วก็มาบริกรรมแล้วก็ถอยเข้าไปหาการพิจารณาแล้วก็ถอยเข้าไปหาความสงบแล้วก็กลับมาค้าคำบริกรรมสลับกันไปสลับกันมาอย่างไม่ให้จิตมันอยู่เฉย ครับคพิจารณาก็ไม่มากเกินเกินไปสงบก็ไม่มากเกินเกินไปครับบริกรรมก็ไม่ต้องมากเกินเกินไปบริกรรมพอสมควรแต่บางคนบริกรรมพุทโธเนี่ยนะบริกรรมพุทโธนี่ว่าบริกรรมก็พอสมควรครับความสงบก็ทําพอสมควรครับพิจารณาก็มาทําพอสมควรอันนี้เรียกว่ามาเดินอยู่ในหลักของมัดมันเข้ากับหลักของมัชฌิ ม, มาครับ